มิลินถปัญหาของกรมศิลปากรมิลินธปัญหาตติยวัคจะขู่วิญญาณมนุวิญญาณณปัญหาที่เจ็ดถามว่า จักสุวิญญาณเกิดในที่ใดมโนูวิญญาณก็ตามไปเกิดที่นั้นหรือราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิรินภูมินทราธิบดีมีสุนทรพจนาราชโ์การตรัสถามว่าพันเตนาฆาเสนะฆ่าแต่พระหน้ า, าเกษณผู้เป็นเจ้าจักขูวิญญาณเกิดในที่ใดมโนูวิญญาณก็ตามไปเกิดในที่นั้นหรือประการใด พระนาคเสนจริงรับพระราชองค์การไปว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพระองค์ผู้ประเสริฐจะขู่วิญญาณบังเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็บังเกิดในที่นั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินมหายสวรรค์มีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนโยมยังสงสัยนัก เหตุไรจะขูุวิญญาณจึงเกิดก่อนโมโนวิญญาณจึงเกิดทีหลังกิ่งปณะหรือว่าสั่งเสียให้กติกาสัญญากันไว้จะขูุวิญญาณบังคับบัญชาไว้กับมโนวิญญาณว่าอัตมาจะไปเกิดก่อนท่านจงไปเกิดทีหลังหรือว่ามโนวิญญาณสั่งจะขูวิญญาณว่าท่านจงไปก่อน ตัวค่านี้แหลจะไปทีหลังสั่งเสียกันถ้อยทีถ้อยให้กติกาสัญญากันไว้กรณีหรือประการใดพระนาคเษนจิงถวายพระพรว่าใช่วัาธรรมทั้งหลายจะสั่งสนทนาพูดจากันไว้หาไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินจิงตรัสว่าก็อย่างไรเล่าพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาไป พระนาคเษนจริงวิสัญนาแก้ไขว่านินนาตามหาราชขอถวายพระพรบพิธพระราชสมภารจะขู่วิญญาณเกิดที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดที่นั้นนินนาตาเหตุภาวะเคยไหลไปที่ลุ่มทวารัตาเหตุว่าเป็นทวารเคยไปจินนาตาเหตุว่าสั่งสมเคยไปทุกทีด้วยกัน สมุธาจารณตาเหตุภาวะเหมือนจะชักชวนกันไปเหตุภาวะเคยชำนิชำนานกันมาแต่ก่อนสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรมีสุนทรราชค์การสักว่าที่พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาว่าจากขวิญญาณเกิดที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นนินนาตาเหตุภาวะไหลาตามกันไปที่ลุ่ม จงทำอุปมาให้โยมสิ้นสงสัยก่อนพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่าขอถวายพระพรเปรียบดุดฝนตกลงมาทาราจะท่อน้ำฝนนั้นจะไหลไปข้างไหนเล่าพระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าที่ลุ่มที่ไหนท่อน้ำฝนก็ไหลไปที่นั้น พระนาคเษนองค์อรหันจึงถามว่าเมื่อฝนตกลงมานั้นไหลไปสู่ที่ลุ่มดังพระราชะองค์การตรัสนี้ยังจะมีฝนอีกหาหนึ่งตกลงมาวัดสะาราท่อน้าฝนนั้นไซจะไหลไปสู่ประเทศที่ใดเล่าพระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าหาฝนที่ตกลงมาทีหลังนั้นเล่า ก็ไหลไปสู่ที่ลุ่มนั้นพระนาคเษนจึงมีเถรวาจาว่าขอถวายพระพรฉันใดก็ดีจะขู่วิญญาณเกิดที่ใดมมโนวิญญาณก็เกิดที่นั้นเหตุว่าไหลไปสู่ที่ลุ่มเหมือนธาราน้าฝนอันไหลไปสู่ที่ลุ่มนั้นสิน้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะ ถ้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าที่ว่าจะขูวิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณเกิดในที่นั้นทวารัตตาเหตุภาวะเป็นทวารอันเคยไปอันเดียวกันนั้นอย่างไรจงกระทำอุปมาไปก่อนพระนาคเสนจึิงอุปมาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร เปรยียบปานดุดปัจจันตะนะครเมืองต่อแดนชนแดนกันมีกำแพงเชิงเทินหอรบแน่นแฟน้นสำหรับรบราชสัตรูแต่เมืองนั้นมีประตูประตูเดียวก็ยังมีบุรุษผู้หนึ่งปรารถนาจะเที่ยวไปนอกพระนะครนั้นจะออกไปทางไรพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์บอกไปว่าบุรุษผู้นั้น ก็ขมนาการคล้าใครออกไปตามประตูนั้นนั่นสิพระผู้เป็นเจ้าพระนาค เ, เสนเ จ, จิงถามว่ายังมีบุรุษอื่นเล่าปรารถนาจะไปเที่ยวปรารถนาจะออกจากนครเหมือนกันบุรุษผู้หนึ่งนั้นจะไปทางไรพระเจ้ากรุงมิลินเป็นกษัตริย์ก็ตรัสแก้ไขว่าบุรุษผู้นั้นก็ไปตามประตูนั้นนั่นแหละพระผู้เป็นเจ้า พระนาคเกษจึงถามอีกเล่าว่าขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารบุรุษทั้งสองให้ปฏิญาณกันไว้หรือกอะไรบุรุษที่ไปก่อนบังคับบัญชาว่ากับบุรุษที่ไปทีหลังนั้นว่าข้าจะไปก่อนท่านจงค่อยสัญจรไปทีหลังบังคับบัญชากันชะนี้หรือกอะไรหรือว่าบุรุษที่ไปทีหลัง บังคับบัญชาแก่บุรุษที่ไปก่อนว่าท่านจงขมนาการไปก่อนเราจะสัญจรไปต่อภายหลังบังคับบัญชาพูดจาปราศัยกันไว้ดังนี้หรือกะไรนะบพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินมีพระราชองค์การตรัสว่าหาไม่ได้นะพระผู้เป็นเจ้าเหตุว่าเขาต้องจาจะออกไปประตูเดียวกันนั้น พระนาคเกษณจริงว่าขอถวายพระพรถ้าฉะนั้นจะขู่วิญญาณกับมโนวิญญาณนี้มีทวารอันเดียวกันจะได้สัญญาผู้จาว่ากล่าวกันว่าท่านจงไปก่อนเราเราจะสัญจรไปทีหลังหาไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินเลิศกษัต ร, ริย์ถามต่อไปว่าพันเตนาคเสนะ ถาแต่พระนาคเสสนผู้เป็นเจ้าที่กล่าวว่าจะขุวิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นจินนัตตายะเหตุภาวะเคยไปนั้นเป็นประการใดนิมนต์กระทำอุ ป, ปมาไปให้แจ้งก่อนพระนาคเสสนถวายพระพรว่าบ่อพิษพระราชสมภารเปรียบปานประดุดเกวียน เข็นไปทางเดียวกันสองเล่มเล่มหนึ่งไปก่อนเล่มหนึ่งไปทีหลังเกวียนที่ไปก่อนบังคับบัญชาเกวียนไปทีหลังหรือว่าค้าจะไปก่อนท่านจงสัญจรไปทีหลังหรือว่าเกวียนเล่มหลังบังคับบัญชาเกวียนเล่มก่อนว่าท่านจงไปก่อนเราจะค่อยสัญจรไปตอบภายหลัง บังคับบัญชาผู้จากันไว้หรือประการใดนะบ่อพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมีลินนรินธระภูมิบาลมีพระราชโอการตรัสว่าใช่เกวียนทั้งสองจะได้ให้กติกาสัญญาบังคับบัญชาพูดจาปราัยสั่งเสียกันไว้หาไม่ได้จินนัตตายะเหตุภาวะเคยไปแต่ก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่า ความนี้มีอุปมาชันใดก็ดีจะขุวิญญาณกับมโนวิญญาณนี้ก็เหมือนกันจะได้บังคับบัญชาให้กติกาสัญญากันหาไม่ได้เหตุภาวะเคยเกิดตามกันเหมือนเกวียนสองเล่มอันเคยไปด้วยกันนั่นแหละพอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินนรินทรภูมิบาล จึงมีพระราชโงคงการตรัสถามต่อไปอีกเล่าวว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ประกอบด้วยยานปรีชาที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้กับโยมว่าจักขุวิญญาณเกิดที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดที่นั้นสมุธาจารณ ต, ตาเหตุภาวะชำนานจะได้ความประการใด นิมนต์กระทำอุปมาให้โยมสิ้นสงสัยก่อนพระนาคเส์จึงอุปมาว่ามหาราชาขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารเปรียบานดุดคนมาเรียนเลขนับอ่านและเรียนวิชาการต่างๆแรกกระทำนั้นยังไม่ชำนิชำนานก็ยังขัดขวางในที่จะคูณหารครั้นานมาก็คล่องว่องไวนักหนา ผสมเลขผสมผาชํานาญคิดอ่านได้ฉับไวสมุทาจารณตาเหตุภาวะชํชนานิชํานาญชั้นใดก็ดีจกักขวิญญาณกับมโนวิญญาณมีสภาวะชํชนานิชํานาญเหมือนบุคคลอ่านอักษรนับเบี้ยคูณหารเลขที่ชํานาญฉะนั้นใช่ว่าจากักขวิญญาณกับมโนวิญญาณ จะบังคับบัญชาสัญญากันไว้เตสังอันลาปะสันลาปูรมทั้งสองจะพูดจาไปมาหากันไม่ได้ทัตถภานิบพิษพึงเข้าพระไทยด้วยอุปมาอุปไมยดังนี้เถิดสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินผู้ประเสริฐส่งฟังก็ปรีดาตรัสว่ากันโลสิสาทุสะ พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรนักหนาจากขุวิญญาณกับมโนวิญญาณปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเท่านี้